เราจะรับพรเราต้องเข้าใจก่อนว่าพรคืออะไรพรไม่ใช่สิ่ง ตางไม่มีคนมากมายวัยพรให้เราดีทุกอย่างแต่เราไม่เคยทํา นั้นเล็กกว่าบาปฉะนั้นทุกกาลการกระทําหากเราได้วาจาใจของเราสิ่งนั้นอะไรอะไร ร่างกายวาจาใจของเราขณะความเดือดร้อนนั้นตัวเองก็เดือดร้อนด้วยผู้อื่นเดือดร้อนด้วยฉะนั้นเรียก <waiver> เราก็จะแต่ไม่ใช่บุญเกิดจากการบริจาควัตถุอย่างเดียวบุญในที่นี้ ฉะนั้นการกระทําใดๆก็ตาม เกิดเยี่ยงกว่าความสงบไม่มีฉะนั้นเมื่อเราไม่มีวัตถุไม่มีทรัพย์ เราลองกระทำอะไรสิ่งที่ ภาวนาการภาวนาเนี่ยทําให้เราพ้นทุกข์ได้การภาวนา หัวใจเราเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับความจริงแต่เราเลือก แล้วเราจะรู้ว่ายังไงน่ะรู้ที่มีทุกข์อ่ะ เส้นทางที่ทําให้เราเป็นทุกข์มันมาจาก สองอาการนี้แหละที่ทําให้เราเป็นทุกข์พอใจมันก็เป็นทุกข์ไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์หากละรู้ รู้รู้ก็คือใจเราก็จะเป็นรู้ที่ปกติขึ้นรู้ก็คือใจใจของเราก็จะ สมาธิในรูปแบบเราต้องนั่งหลับตาแต่หน้านับสมาธิที่ถูกต้องนั้นเราไม่ต้อง และอยู่ที่ใจของเราเราทําอะไรหายไปทั้งวันเรา เราเกิดมาเรามีเพียงแค่กายเดียวที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่วันเกิด เราจะทำยังไงล่ะจะทํายังไงล่ะเอานิวรณ์เดียวเนี่ยมาอยู่กับกายเดียวเพียงแค่ระลึกรู้อยู่ที่กาย ผู้รู้นั่นเองฉะนั้นผู้รู้จริงมันอยู่ที่ไหนล่ะบางคนก็จริงๆผู้รู้ก็คือสิ่ง หัวใจเนี่ยมันรับรู้ได้กี่ช่องทางน่ะรับรู้ตาหูก็เป็นผู้รู้ เพราะขณะที่มันได้รับรู้น่ะมันไม่มีสติไม่มีสติขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย ด้วยใจๆเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าสู่ แค่เรารู้อยู่ที่กายเบาๆเวลามีเสียงเราก็ที่หูนั่นเราได้ฟังเสียง มองรูปอย่างมีสติรูปอย่างมีสติฟังเสียงอย่างมีสตินี่แหละเราฝึกอย่างนี้เมื่อเรามีสติอยู่ เรเรานิ่งรู้อย่าชมรบอยู่กับกายว่างๆไม่ต้อง เทนในละอยู่กันยังไงให้ใจก็ล่อไม่อ่อนแอเป็นที่เสียง เขาไปเสียงปัจจุบันเราก็นิ่งฟังเสียงปัจจุบันเถิดรูปรูปัจจุบันเราก็นิ่งสังเกตรูปปัจจุบัน ขณะที่แท้ๆแต่เราเอาคนมานอนเต็มห้องไปหมดใช่ เมื่อเรานั่งกินข้าวก็นึกถึงคนทั้งโลกคิดถึงคนโน้นๆห้องหมดทั้งๆที่เรามี ที่มันมีการประงแต่งเลยปัจจุบันเนี่ยกายเรามีอยู่แล้วปัจจุบันอยู่แล้วสร้างรู้ของเรา เรามนุษย์ๆนะเฉพาะว่ากายมันพองมันยุบกายพองตลอดตลอดแต่เราไม่เคยรู้เลยหากเรารู้ มันเป็นความจริงทั้งหมด เวลามันคิดแล้วก็รู้มันคิดเวลามันลืมแล้วก็รู้มันลืมขึ้นฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งเวลาฟุ้ง <c oughs> อาการฟุ้งมันก็จะอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลง ถูกไม่เกิดขึ้นที่ตัวมันเองมันตั้งอยู่ได้โดยตัวมัน พุทธเจ้าสอนให้ยอมรับต่อความจริงขณะที่ทุกข์แล้วก็ยอมรับแล้วนิ่งรู้ นี่รู้อย่าสงบมองสุขมองทุกข์เหมือนมองกลางวันกลางคืนมืดสว่างมันไม่ได้มืดสุขตลอดเราต้องมาเรียนรู้จากสิ่งที่เราหลงที่สุดคือหลงสุขหลงทุกข์นี่แหละจนเรามองเห็นกลาง แต่เราไม่เคยมองอย่างนี้สุขมัยทุกข์เนี่ยประมาทต่อสุขและประมาทต่อ ปฏิบัติขโมยหาจากความสงบความสงบได้มาจากการสร้างเมื่อเราสร้างความสงบเราก็ต้อง ผลเพราะได้ที่เราสร้างมาฉะนั้นสุขและทุกข์สม ตมาสอนแค่นี้แหละให้ก็ทําอะไรเลยให้ก็หยุดนิ่งและรู้อย่าสงบเบา <c oughs> มีสุขมีทุกข์แต่เหมือนไม่สุขเหมือนไม่ทุกข์เพราะว่ารู้มันเริ่มปกติขึ้นนี่ปฏิบัติมันเข้าเข้าถึงจุดนี้